ปรากฏการแปลกสองพี่น้องในการบรรพชาอุปสมบทนี้ได้มีปรากฏการแปลกๆเกิดขึ้นกับลหลายๆคนเช่นมีสองพี่น้องได้มาขอบวชพร้อมกันในโอกาสสําคัญนี้ทั้งสองคนมาวัดป่าบ้านตาดเพื่อเข้าพิธีซ้อมขานนาค ก, กับพระอาจารย์ประจวบเหมือนกับคนอื่นๆการขานนาค ต้องให้ได้ความชัดเจนและต้องมีความตั้งใจจริงที่จะบวชพี่น้องสองคนนี้ไม่เคยอยู่วัดแห่งนี้มาก่อนต่างเตรียมตัวที่จะเข้าวัดกันอย่างโกลาหลผมเองยังไม่แน่ใจว่าทั้งสองคนนี้จะบวชได้ทนหรือไม่อยู่ครบกำหนดสิบห้าวันหรือเปล่าเพราะดูท่าทางเอาเรื่องเหมือนกันทั้งสองเล่าให้ฟังว่าขณะอยู่ที่วัดเตรียมตัวเข้าพิธีอุปสมบท กลางคืนนอนไม่หลับบางคืนมีคนที่ไม่รู้จักมากวนอยู่เรื่อยๆต้องตั้งจิตบอกว่าเรามาดีมาบวชทำบุญขอจะได้มารบกวนเราเลยจึงค่อยสงบไปได้หน่อยและในวันเข้าโบสถ์ที่วัดโพธิสมพรขณะที่พ่อและลูกชายที่ห่มผ้าเหลืองเป็นพระโดยสมบูรณ์แล้วนั่งรถออกจากวัดพ่อของพระทั้งสองอ ง, องค์ก็ต้องตกตะลึงเพราเห็นคุณย่าลอยผ่านรถ ยิ้มให้พ่ อ, อยัางมีความสุขที่ได้บุญจากการบวชของหลานชายทั้งสองคนผมจัดให้พระทั้งสองรูปจำวัดที่วัดป่าบ้านเพิ่มกับท่านพระอาจารย์สดและได้พบปฏิหารที่เกิดขึ้นกับพระทั้งสองพี่น้องด้วยตัวผมเองจะนำมาเล่าในหนังสืองานอุปสมบทคอยติดตามนะครับขณะนี้กำลังรวบรวมรายชื่อผู้ร่วมงานและวัดเพื่อทาหนังสืองานอุปสมบทนี้อยู่ตอนนี้กาลังเร่งหนังสือที่จะออกมาอีกหลายเล่ม เช่นเทวดาวันขึ้นกุติของหลวงตาหลวงตาวัดป่าบ้านตาดสามรวมเรื่องเล่าสิ่งที่เห็นวัดป่าบ้านตาดมรดกพุทธศาสนางานบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาพระบูรพาจารย์หนังสือแนะนําสถานปฏิบัติธรรมในสายทานหลวงตามหาบัวเพื่อการปฏิบัติธรรมภาวนาหนังสือทุกเล่มต้องใช้เวลาในการค้นคว้าและเรียบเรียง หากท่านใดอยากช่วยผมยินดีมากครับที่น่ายินดีอย่างยิ่งก็คือขณะนี้ผมได้ผู้ช่วยมาสามคนด้วยความอัศจรรย์ราวกับเทวดาส่งมาให้ทำให้งานหนังสือหลวงตาเล่มสองนี้คืบหน้าไปได้อย่างรวดเร็วช่วยผ่อนแรงท่านด็อกเตอร์ดาราวันและคุณสุมิตราลงไปได้อย่างมากต้องขอบพระคุณคุณปริยานุษย์หนูเกศคุณพุทณีบุรณมณทนและทันตแพทย์หญิง เขมวันดำริอนันท์ที่เทวดาท่านจัดสรรมาให้ช่วยงานจนเสร็จลุล่วงไปด้วยดีพร้อมกันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยเหลืองานที่ผมทำเพื่อถวายแด่องหลวงตาผมต้องการนำเสนอประสบการณ์ของหลายๆท่านที่เกี่ยวข้องกับองหลวงตาด้วยภาษาไทยธรรมดาอ่านง่ายๆสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ให้ได้สัมผัสถึงความรู้สึกของแต่ละคนตามความเป็นจริง แม้ว่าจะมีทัศนะที่ต่างกันไปซึ่งเป็นเรื่องปกติของบรรดาสิทธ์ทั้งหลายหนังสือหลวงตาชุดนี้ไม่มีจําหน่ายและไม่ได้แจกที่วัดป่าบ้านตาดเพราะมีความเห็นว่าหนังสือเนี้ยเป็นหนังสือที่บรรดาลูกศิษย์ที่ร่วมจัดทํากันมาในการจัดแจกหนังสือหลวงตาเล่มแรกในวันเปิดสามแดนโลกทาที่วัดนั้นผมไม่ประสงค์ให้แจกหนังสือฟรีเนื่องจากเคยเห็นมามากแล้วว่าผู้คนต่างคนหนังสือกันไปโดยไม่เห็นคุณค่าของหนังสือ บางคนเวียนเทียนมารับแจกเพื่อเอาไปขายต่อผมจึงขอให้ทุกคนที่ต้องการหนังสือร่วมกันสมทบปัจจัยสร้างบุญกับหลวงตาโดยขอบริจาคเล่มละหนึ่งบาทส่วนพระและชีถวายให้ได้เงินจากผู้รับหนังสือนำถวายแด่หลวงตาเป็นเงินทั้งหมดกว่า0 0แสนบาทผมจึงได้สมญาว่าคุณหลวงร้อยบาทก็ต้องขอแก้ภา พ, พ์และขอทาความเข้าใจกับผู้คน และพ่อแม่ครูอาจารย์รวมทั้งท่านทั้งหลายที่เป็นห่วงผมอธิบายจนหายคล่องใจแล้วว่าหนังสือ 15,000 เล่มเนี้ยผมได้แจกออกไปหมดแล้วเมื่อเดือนกันยายนพุทธศักราช2 5 5 1และกำลังแก้ไขเพื่อสั่งพิมพ์เพิ่มอีก 10,000 มเล่มส่วนเล่มสองนี้มีผู้ให้ความสนใจและรวมเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์จำนวนมากซึ่งผมได้จัดพิมพ์รายชื่อไว้ท้ายเล่มเพื่อเป็นเกียรติ ผมขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างมากที่กรุณาร่วมเป็นเจ้าภาพหนังสือทำให้ผมมีกำลังใจและมีพะละกำลังในการทำงานให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีข้างหน้าดังที่ผมได้กราบเรียนให้พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านทราบเพื่อขอความเมตตาให้งานสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีซึ่งท่านก็ได้เมตตาให้พรสาเร็จสาเร็จ เงินทุกบาทที่ท่านร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือได้จัดเป็นค่าใช้ใจ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ผมได้ให้คุณละดาวันสีสมบุญเป็นผู้ดูแลเรื่องการเงินตามรายละเอียดท้ายเล่มในช่วงสุดท้ายของชีวิตผมขอทํางานถวายหลวงตาด้วยสติปัญญาเพื่อแสดงให้โลกได้เห็นถึงความเมตตาขององค์ท่านซึ่งไม่มีประมาณอันจะเป็นแบบอย่างของพระอริยสงฆ์ในยุคปัจจุบัน Thank you.